คราวที่แล้วเราก็ฟังมาถึงตอนที่พระเรวตะและหมู่เพื่อนสมณะที่เคยเป็นโจรด้วยกันกําลังจะถูกเผาให้ตายทั้งเป็นกลางลานประหารความกลัวทําให้พระเรวตะหมดสติลงนี่บัดนั้นพระเรวตะได้ตื่นฟื้นจากการหมดสติมารู้ตัวอีกครั้งหนึ่งว่าตนยังไม่ตาย และขณะนี้ตนได้อยู่ในห้องรับรองอย่างระหโหฐานดุดแดนสวรรค์ตัวท่านเองรอดตายมาได้อย่างไรยังไม่รู้บัดนี้ขอเชิญท่านติดตามเรื่องราวในตอนต่อไปได้แล้วค่ะฟังมาเพียงแค่นี้ข้าพเจ้าก็าได้ทราบทันทีว่า มันเป็นเพลงกล่อมลูกอันเก่าแก่ที่ข้าพเจ้าเคยได้ยินได้ฟังมานับครั้งไม่ถ้วนในกรุงสาวัตถีถ้าเช่นนั้นที่ข้าพเจ้าอยู่เดี๋ยวนี้ก็หาใช่เมืองผีที่ไหนไหม่คงจะเป็นเมืองสาวัตถีอย่างแน่นอนขณะที่ข้าพเจ้ากําลังยืนฟังเพลงเพลินอยู่ที่หน้าต่างนั่นเองก็รู้สึกมีมืออุ่นๆมาแตะที่ไหล่ทั้งสองข้างข้าพเจ้าจึงรีบหันกลับไปดู ด้วยความตกใจภาพที่อยู่เฉพาะหน้าทําให้ข้าพเจ้าเกิดความเข้าใจว่าตัวได้ตายไปแล้วมาเกิดในสวรรค์เพราะบุคคลที่ยืนเผชิญหน้าอยู่นั้นคือหญิงสาวที่สวยงามดุดกับเจ้าหญิงในเทพนิยายโบราณข้าพเจ้าตื่นเต้นดีใจจนลืมความเจ็บปวดกายาที่ได้เห็นว่าหญิงสาวคนนั้นหาใช่นางฟ้าที่ไหนไหม่หากได้แก่ ลีลาวดีนั่นเองลีลาวดีข้าพเจ้าอุทานออกมาหลังจากอั้มอึ้งอยู่เป็นเวลานานถูกแล้วลีลาวดีของพี่นั่นเองลีลาวดีกล่าวพลางก้าวเข้ามาไปชิดตัวของข้าพเจ้าอย่าเข้ามาใกล้อัตมาลีลาวดีอย่าลืมว่าอัตมายังคงเป็นพระพิษุอยู่อย่างเดิมข้าพเจ้ากล่าวห้ามพลางเดินเลี่ยงข้างๆ เพื่อให้ห่างจากลีลาวดีลีลาวดีไม่เชื่อพี่จะเป็นภิกษุได้อย่างไรผ้ากาสาวพัดผืนเดียวก็ไม่มีคลุมกายมีแต่ผ้านุ่มของคารวาสพี่ได้ศึกจากความเป็นภิกษุแล้วโดยสมบูรณ์ฉันไม่เชื่อเธอกล่าวแล้วเดินยิ้มเข้ามาหาข้าพเจ้าข้าพเจ้าเดินก้าวหนีโดยเร็วจนลืมไปว่าขาของตนกำลังเจ็บเลยฟุบ ลม้ลมลงไปกองกับพื้นห้องลีลาวดีได้โอกาสตรงเข้ามาจับต้องตัวข้าพเจ้าแล้วพยุงไปนั่งบนเตียงตามเดิมให้อภัยแก่ลีลาวดีด้วยนะคะลีลาวดีทำด้วยความรักความเคารพอย่างจริงใจไม่ได้มีเจตนาจะทำให้ศีลของท่านเศร้าหมองเลยลีลาวดียอมรับความเป็นพิสุทของท่านพี่ตามเดิมเธอกล่าวขณะ นั่งอยู่แทบเท้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้ตอบแต่ประการใดเพราะรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวที่ขาที่สะเอลเป็นกําลังท่านคงจะเจ็บปวดมากดีเรากดีจะไปเอายามาทาให้และนวดเฟ้นให้นะคะเธอกล่าวทําท่าจะลุกขึ้นไม่ต้องล็อกลีราวดีข้าพเจ้าห้ามไว้มาเล่าให้อัตมาฟังดีกว่าว่า อาตมามาอย่างไรจึงได้มาอยู่ที่นี่อาตมาไม่ได้ตายเพราะถูกไฟคลอกที่พรลานหลวงดอกลึกลีลาวดีนั่งเรียบลงตามเดิมแล้วก็เล่าวีรกรรมของเธอให้ข้าพเจ้าฟังพอได้ยินเสียงแห่ดังมาตามถนน ดิฉันก็ไปนั่งดูอยู่ที่หน้าต่างเหมือนอย่างที่เคยทํามาที่แรกนึกว่าเป็นขบวนแห่พิธีกรรมแต่งงานหรืองานศพแต่เมื่อได้ทราบว่าเป็นการแห่ประจานโจรดิฉันยิ่งเอาใจสายยิ่งขึ้นดิฉันตกใจแทบสิ้นสติเมื่อได้ทราบว่าท่านเป็นโจรคนหนึ่งในบรรดาโจรที่นั่งไปบนหลังลาดิฉันไม่คิดอะไรทั้งหมดลงจากปราสาทได้ก็วิ่งฝ่าฝูงคน ตรงไปอย่างท่านจากนั้นดิฉันก็สลบสลดยไม่ได้สติเพราะความสงสารท่านบวกกับความตื่นเต้นตกใจและความเหน็ดเหนื่อยจากการวิ่งมารู้สึกตัวตื่นขึ้นเมื่อมีคนนํามาถึงบ้านแล้วดิฉันเล่าเรื่องให้แม่ฟังบอกให้ท่านรีบช่วยชีวิตของท่านไว้คุณแม่นําเงินหมื่นกหาปณะนะรีบไปที่พลานหลวงเข้าพบป่ากับราชบุรุษ ขอถ่ายตัวเอากลับคืนทีแรกเขาก็ไม่ยอมต้องเจรจากันอยู่นานและเพิ่มเงินให้อีกหมื่นกาปันะาเขาจึงยอมปล่อยท่านขณะที่ไฟกําลังไหม้อยู่นั้นเองราชบุรุษก็วิ่งเข้าไปลากตัวท่านขึ้นจากหลุมแบบฝ่าเปลวไฟออกมาถ้าช้านิดหน่อยเท่านั้นชีวิตของท่านคงจะไม่รอดแน่ต่อจากนั้นแม่ก็นําท่านขึ้นรถเทียมม้ากลับบ้าน ให้ท่านนอนพักอยู่ในห้องนี้เรื่องก็เป็นอย่างนี้แหละท่านจึงไม่ได้ถูกไฟคลอกตายดูก่อนท่านผู้มีอายุเมื่อฝั่งเรื่องที่ลีลาวดีช่วยชีวิตของข้าพเจ้าจบลงแล้วข้าพเจ้าแทบจะกลกั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ด้วยความสงสารตัวเอง และความรู้สึกซาบซึ้งในคุณงามความดีของดีลาวดีเธอรักและสงสารข้าพเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆเธอได้ช่วยให้ข้าพเจ้าพ้นจากความยากลําบากตั้งแต่ข้าพเจ้าเป็นเด็กจันทรนรับใช้อยู่ในบ้านของเธอคราวนี้เธอได้ช่วยชีวิตไว้อีกดีลาวดีเกิดมาเพื่อช่วยข้าพเจ้าแท้ๆดิลาวดีเอ้ยเธอช่างดีต่ออาตมาเสียจริงๆ เธอเกิดมาเพื่อช่วยแห้อัตมาได้พ้นทุกข์โดยแท้เธอมีพระคุณต่ออัตมาอย่างเหลือล้นพ้นประมาณอัตมาจะทำอย่างไรหนอจึงจะควรคุณค่าแก่อุปการะคุณของเธอลีลาวดีเงยหน้าขึ้นมองข้าพเจ้าด้วยแววตาแสดงความสงสารแล้วกล่าวว่าดิฉันช่วยท่านก็ด้วยความรักและเคาลศอย่างบริสุทธิ์ใจเพราะชีวิตของท่าน ก็คือชีวิตของดิฉันเมื่อดิฉันช่วยท่านก็เท่ากับช่วยชีวิตของดิฉันเองความสุขของท่านก็คือความสุขของดิฉันเมื่อท่านมีความสุขดิฉันก็มีความสุขด้วยแต่เมื่อคราวท่านประสบทุกข์ดิฉันเป็นทุกข์มากกว่าท่านเป็นทวีคูณท่านเห็นใจลีลาวดีบ้างหรือยังอัตมาเห็นใจเธอเสมอและเห็นใจมานานแล้วตั้งแต่ครั้งเป็นเด็กจันทนัน อาศัยอยู่ในกระท่อมน้อยกลางสวนหลังครือหาดท่านก็พูดได้เสมอว่าเห็นใจเห็นใจแต่คําว่าเห็นใจนี่แหละทําให้ดิฉันน้ําตาเช็ดว่าเขา่ามาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วดูช่างเป็นคําพูดที่มีความหมายเหลือเกินเธอกล่าวแสดงอาการงอนเล็กน้อยก็แล้วเธอจะให้อัตมาทําอย่างไรล่ะลีลาวดีบอกอัตมามาเถิด ชีวิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาตมาได้สิ้นสุดลงแล้วที่พลานหลวงชีวิตที่อยู่บัดนี้เป็นชีวิตที่เกิดจากการเสียสละของเธอเธอจึงเป็นเจ้าของชีวิตนี้โดยสมบูรณ์ชีวิตนี้อยู่ในกำมือของเธอแล้วเธอจะจัดการอย่างไรกับชีวิตนี้ก็ได้ตามปรารถนาลีลาว ด, ดีนิ่งจ้องมองดูข้าพเจ้าอย่างชงวนสนเทเธอคงประหลาดใจ ที่ได้ฟังคำพูดอันกล้าหาญของข้าพเจ้าท่านอย่าคิดให้ไกลไปถึงเพียงนั้นท่านยังเป็นตัวของตัวเองอยู่ทุกประการดิฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของชีวิตของท่านและปรารถนาที่จะเป็นดิฉันยังรักคารบบูชาท่านเช่นเดียวกับเทพเจ้าบนสวงสวรรค์ดิฉันเองเป็นเพียงสัตวน์น้อยตัวหนึ่งบนแผ่นดินที่สวดมนต์วิงวอนต่อเทพเจ้าพระองค์นั้น ทุกเช้าค่าเพื่อความเห็นใจความสงสารเอ็นดูแต่เทพเจ้าไม่เหลียวแลข้าพระเจ้าบ้างเลยลิลาวดีเอ้เธอให้เกียรติอาตมาสูงเกินไปเสียแล้วเธอเอาอาตมาไปเปรียบเทียบกับเทพเจ้าบนสวงสวรรค์เกียรตินั้นยิ่งใหญ่กว่าอาตมาจะรับได้ความจริงแล้วอาตมาเป็นเพียงก้อนกรวดในกำมือแต่พระคุณของเธอที่มีต่ออาตมานั้น มากมายประดุษขุนเขาฮิมวันตบันพถ้าเธอปรารถนาความเห็นใจความเมตตาเอ็นดูจากก้อนกรวดอัตมาก็จะให้และบัดนี้จงทราบเถิดว่าอัตมาได้ให้แล้วลีราวดีก้มลงกราบแทบเท้าของข้าพเจ้าแล้วกล่าวว่าคำพูดของท่านทำให้ดิราวดีเป็นสุขที่สุดในชีวิตเธอกล่าวพลาง กางมือทั้งสองข้างออกจะกอดนัดขาทั้งสองข้างของข้าพเจ้าที่ห้อยอยู่บนเตียงข้าพเจ้ารู้สึกตกใจและพยายามรวบรวมสติให้กลับคืนมาและกล่าวกับเธออย่างเอาจริงออกจังว่าลีลาวดีโปรดอย่าลืมว่าอัตมายังเป็นพระภิกษุจงออกไปอยู่ให้ห่างอัตมาอย่าบังคับแห่ตมาต้องทําลายศีลของพระบรมศาสดาข้าพเจ้า กล่าวกับไล่ลีโรดีให้พระออกไปทันทีแต่สังเกตเห็นใบหน้าของเธอกลับหม่นหมองเศร้าส้อยลงทันทีเมื่อเธอลุกขึ้นเดินไปยืนที่หน้าต่างทอดสายตาเหม่อมองออกไปยังความมืดภายนอกข้าพเจ้าคอยจ้องดูอาการของเธอด้วยจิตใจกระวนกระวายบรรยากาศภายในห้องเต็มไปด้วยความเงียบและความเคร่งเครียดดีลาวดีหันหน้ากลับมาทางข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่ง ยืนเอาหลังพิงกรอบหน้าต่างทอดสายตาลงต่ำอย่างคนที่กำลังตึกตรองอะไรบางอย่างในอิริยาบถนั้นลีลาวดีสวยสง่างามมากความมืดที่เป็นฉากอยู่ด้านหลังแสงไฟที่สาดไปข้างหน้าทำให้สรีระรูปร่างของลีลาวดีสวยเด่นดุจพระจันทร์วันเพ็ญที่กำลังโผล่ออกมาจากกรบเมฆข้าพเจ้าเพลินชมความงามของเธอ จนลืมความเจ็บปวดกายเสียสิ้นลีลาวดีเดินมาหยุดอยู่เฉพาะหน้าของข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่งเธอเรียกผมด้วยเสียงเย็นว่าบัดนี้ท่านนั่งอยู่เฉพาะหน้าของลีลาวดีแต่ในความรู้สึกของดิฉันคล้ายกับท่านอยู่ไกลออกไปถึงปานจั ก, กรวาลดิฉันรู้สึกว้าเหวหรือเกินแต่เอาเถอะดิฉันจะยังไม่ทำลายศีลของท่านจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควร เวลานี้ก็ดึกมากแล้วท่านคงจะเหน็ดเหนื่อยมากนอนพักผ่อนเสียเถิดพรุ่งนี้ดิฉันจะมาพบท่านอีกลาก่อนนะคะลีลาว ด, ดียกมือไหว้ข้าพเจ้าแล้วก็เดินออกประตูข้าพเจ้ามองตามเธอไปจนเธอหายลับไปจากประตูแล้วก็ล้มตัวลงนอนและหลับไป ดูก่อนท่านผู้มีอายุข้าไเจ้าตื่นขึ้นในตอนเช้าด้วยความอ่อนระโหยแม้ว่าความเจ็บปวดที่ขาจะบรรเทาเบ า, เ บ, า, บ, าบางลงไปบ้างแล้วก็ตามข้าไเจ้าพยุงกายขึ้นเดินไปยืนที่หน้าต่างมองดูภาพของถนนเบื้องล่างฝูงชนหลายประเภทกําลังเดินไปม า, วาควักควาเศรษฐีคฤหาบดีนั่งบนรถเทียมด้วยมา้าอันประดับประดาอย่างงดงาม กำลังลัง่นไปสู่ท่าเพื่อสมสนามในแม่น้ำอัจิรวดีนั่งกุมพาทาสีผู้เถินหม้อน้ำด้วสีสษะผู้ทาเท้าด้วยสีแดงมีขอบตาอันดำสนิทกำลังเดินเป็นหมู่่กำไลแขนกำไลขาของเธอเมื่อต้องแสงอาทิตย์ส่องแสงแปรเปลา บ, บาดในตาในโรบานกำลังต้อนฝูงโคออกไปเลี้ยง ส่งเสียงร้องไล่โคดังวกๆวกเวกเวกอยู่เป็นครั้งคราวพิสุสองสามรูปกำลังเดินไปพิาจารย์ด้วยอาการอันสมดวมเป็นอันดีถนนในพระนครสาวัตถีในยามเช้าเต็มไปด้วยชีวิตชีวาทุกคนต่างดิ้นรนกระเสือกกระสนเพื่อความดำรงอยู่แห่งตนและคนรักเมื่อความตายมาถึงมันก็ยุติกันทันที ข้าพเจ้านั่งดูภาพในท้องถนนเพลินจนลีลาวดียกสำรับพระทหารมาถวายในระหว่างที่ข้าพเจ้ากำลังบริโภคอาหารลีลาวดีก็บอกว่าจะขอร้องอะไรข้าพเจ้าสักอย่างหนึ่งข้าพเจ้าจึงบอกกับเธอว่าบอกมาเถอะลีลาวดีอาตมาพร้อมแล้วที่จะอนุเคราะห์เธอลีลาวดียิ้มออกมาได้เป็นครั้งแรก อย่างเต็มไปได้วยความหวังข้าพเจ้าเองก็อยากจะรู้ว่าเธอจะขอร้องอะไรท่านคะสิ่งที่ดิฉันจะขอร้องก็คืออ่าขอให้ท่านสละความเป็นพระเสียแล้วมาอยู่กับลีลาวดีเราจะได้ร่วมชีวิตกันอย่างเป็นสุขตลอดไปทรัพย์สมบัติของเรามีมากแต่ขาดผู้ที่จะจัดการดูแลคุณพ่อท่านก็สิ้นชีพไปแล้วชัยเสน ก็ตายไปแล้วหลายปีเหลือแต่ดิฉันกับคุณแม่ซึ่งเป็นหญิงไม่มีความรู้ความสามารถพอที่จะจัดการกับทรัพย์สมบัติได้เรามองไม่เห็นใครอีกแล้วที่พอจะเป็นที่พึ่งได้นอกจากท่านคนเดียวว่าอย่างไรคะท่านจะอนุเคราะห์ลีลาวดีได้หรือไม่ดูก่อนท่านผู้มีอายุคำขอร้องของลีลาวดีทําให้ข้าพเจ้าต้องคิดอย่างหนักอีกครั้งหนึ่ง ลีลาวดีคงถือคำขาดครั้งสุดท้ายสำหรับข้าพเจ้าพยายามคิดหาทางออกแต่รู้สึกว่ามืดแปดด้านจริงๆลีลาวดีคำขอร้องของเธอเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดสำหรับอาตมาอาตมาอยากจะตอบรับเธอเดี๋ยวนี้แต่อาตมายังไม่ทำก่อนขอเวลาให้ตามา ต, ตึกตรองดูอย่างละเอียดทีทวนก่อนแล้วจะให้คาตอบทีหลัง ก็แล้วเมื่อไหร่จะให้คำตอบแก่ดิราวะดีล่ะคะเธอถามอย่างร้อนรนคงจะภายในสามวันเป็นอย่างช้าที่สุดแต่ท่านต้องให้คำตอบที่ให้ความหวังแก่ดิชันนะคะ ตลอดวันนั้นทั้งวันข้าพเจ้ายังคงนอนพักกายอยู่ภายในครือหาตของลีลาวดีเพราะยังไม่กล้าเดินกลับวัดพระเจตวนารามในตอนกลางวันเพราะกลัวว่าฝูงชนจะเห็นแล้วจําได้ว่าข้าพเจ้าเป็นโจรตอนเย็นเมื่อมือสนิทดีแล้วข้าพเจ้าจึงอำลาลีลาวดีและนางเครือหาปัตตานีกลับพระเจตวันพอพ้นกําแพงเมืองออกมาสู่ท้องนา ข้าพเจ้าก็รู้สึกโล่งใจคล้ายกับหลุดพ้นจากที่คุมขังเดินข้ามทุ่งนานิดหน่อยก็เข้าสู่พระเชตวันเมื่อผ่านพระคันตกุดีของพระบรมศ า, ศาสดาซึ่งยังไม่เสด็จกลับจากเมืองสาเกตข้าพเจ้ายกมือทั้งสองขึ้นไหวลำลึกถึงพระพุทธคุณแล้วก็เดินผ่านธรรมสาลาและกุฏิที่อยู่เป็นแถวตรงไปยังกุฏิของข้าพเจ้า ซึ่งอยู่ทา้ายพระอารามด้านใต้สภาพของพระเชตวันคงสงบเงียบตามเคยนอกจากเสียงลมพัดใบไม้และเสียงแมลงเล็กๆที่ไม่เห็นตัวแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรอีกเมื่อไปถึงกุฏิข้าพเจ้าก็ได้พบกับภิกษุสามรูปกำลังสนทนากันอยู่บนแท่นหินใต้ต้นไทรหน้ากุฏิหนึ่งในจำนวนสามนั้นก็ได้แก่พระพัทยะเถระ อาจารย์เก่าแก่ของข้าพเจ้านั่นเองท่านได้ติดตามพระบรมศาสดาไปยังเมืองสาเกตเมื่อหลายวันมาแล้วพอท่านเห็นข้าพเจ้าท่านก็กล่าวว่าเมื่อได้ทราบว่าเธอได้ถูกราชบุรุษจับไปเราก็รีบถวายบังคมลาพระบรมศาสดากลับมาเพื่อรับรองความบริสุทธิ์ในการเป็นภิกษุของเธอเราทราบดีว่าเธอยังมีศีลบริสุทธิ์ แม้จะอยู่ในที่ขับขันก็ยังมีใจมั่นคงต่อพระธรรมวินัยฉะนั้นเธอยังเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาตามเดิมท่านอาจารย์กล่าวแล้วก็หยิบผ้ากาสวัสิ์ส่งให้ข้าพเจ้ารับเอามานุ่งห่มเรียบร้อยแล้วท่านอาจารย์ก็จากไปเธอยังอยู่ในภาวะอันตรายจงระวังตัวให้ดีท่านกล่าวสั่งผมเป็นครั้งสุดท้ายข้าพเจ้าเข้าสู่กุฏิ พบกับบริการทุกอย่างยังอยู่สภาพเดิมตลอดคืนนั้นข้าพเจ้าเทพจะไม่เป็นอันดับอันนอนความคิดร้อยแปดวิ่งพล่านเข้ามาในสมองคําพูดของลีลาวดีที่ว่าขอให้ท่านสล<ร>ะ <ขา S 1> ความเป็นพิกสุตเสียแล้วเราจะได้ร่วมชีวิตกันอย่างเป็นสุขสืบไ ป, ไปคําพูดของเธอยังดังก้องอยู่ในส่วประสาทและมันทําให้ข้าพเจ้า ต้องนำมาคิดอย่างหนักที่สุดบางคราวข้าพเจ้าคิดอยากจะปฏิบัติตามลีลาวดีอยากจะสึกไปอยู่กับเธอเป็นสามีของเธอเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติอันมหาศาลโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรในภาวะเช่นนั้นข้าพเจ้าคงจะมีความสุขที่สุดการมีภรรยาผู้งามพร้อมเช่นดีลาวดีการมีสมบัติมหาศาลสำับจับจ่ายใช้สอย เป็นสิ่งที่บุรุษในโลกปรากถนาและพยายามดิ้นรนเพื่อเอาให้ได้แต่สําหรับข้าพเจ้าไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรนอะไรเลยมีผู้เสนอให้พร้อมอยู่แล้วปัญหาอยู่ที่ว่าข้าพเจ้าจะรับหรือไม่เท่านั้นใจหนึ่งก็อยากรับแต่ใจหนึ่งก็อย่างเสียดายสันติสุขความเป็นพระเหลือเกินระหว่างโลกียสุขและสันติสุขในธรรมะ ข้าพเจ้าจะเลือกเอาข้างไหนดีบางขณะข้าพเจ้าก็จวนเจียนจะตัดสินใจเอาฝ่ายโลกแต่แล้วความคิดนั้นก็ล่าถอยไปความคิดที่จะเอาฝ่ายธรรมะเข้ามาแทนที่โลกกับธรรมะต่อสู้กันอย่างหนักในจิตใจของข้าพเจ้าผลัดกันลุกพลัดกันรับอยู่ตลอดคืนในที่สุดก็ตัดสินใจไม่ได้ สมวันผ่านไปโดยที่ข้าพเจ้ายังไม่อาจตัดสินใจเอาฝ่ายไหนแต่กาหนดที่จะให้คาตอบแก่ดิราวดีมาถึงแล้วข้าพเจ้าจึงไปพบดิราวดีอีกครั้งหนึ่งเธอกล่าวว่าว่ายังไงคะท่านริราวดีเริ่มถามท่านคงจะตัดสินใจแล้วกระมังที่จะอนุเคราะห์ดิฉันและแม่เมื่อไหร่ท่านจะศึกละคะดิฉันจะได้เตรียมเครื่องแต่งตัวคารวาสไว้ให้ ทผู้มีอายุเวลานั้นข้าพเจ้ารู้สึกกระวนกระวายใจเป็นที่สุดข้าพเจ้ารู้ดีว่าคําตอบของข้าพเจ้าจะทําให้ลีลาวดีต้องผิดหวังเพราะมันทรมานใจของข้าพเจ้าเองลีลาวดีอาตมาขอบอกกับเธอตามตรงว่ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะสึกหรือไม่ข้าพเจ้าพูดเท่านั้นเองเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าคาดไว้ก็เกิดขึ้นลีลาวดี หน้าเศร้าลงทันทีเธอหันข้างให้ข้าพเจ้าถอนหายใจอย่างหนักหน่วงแล้วก็ทําท่าจะร้องไห้อ น, นิยญาดีลวดีเจ้าช่านเกิดมามีกรรมเทีจริงๆเธอหันหน้าอันหม่นหมองกล่าวกับข้าพเจ้าอีกครั้งว่าท่านยังไม่สนใจลีลวดีเสียบ้างเลยท่านไม่รักดีลวดีดอกกระมังข้าพเจ้าจึงได้กล่าวกับเธอว่าดีลวดี หัใจของอัตมาแทบจะแตกสลายอยู่แล้วด้วยความรักและสงสารเธอรักเธอด้วยความบริสุทธิ์ใจผ้ากษาาัตริัสดนี้เป็นพยานแต่ขอให้เธอฟังเหตุผลของอัตมาก่อนอย่าลืมว่าตระกูลของเธอเป็นตระกูลใหญ่เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วแ้งโกศลเธอเกิดในตระกูลพารามณผู้มีกำเนิดมาแต่โอทของพระพรส่วนอัตมาเป็นคนไร้วันนะ เป็นจันทานผู้ไม่มีชาติไม่มีสกุลนอกจากนี้อัตมายังเคยเป็นโจรผู้ชั่วช้าถูกจับแห่ประจานคนรู้จักกันทั้งบ้านทั้งเมืองฐานะของเธอกับฐานะของอัตมาห่างกันราวกับดินเมื่อรู้ว่าเธอแต่งงานกับอัตมาเขาจะลงประชาทันแก่ตระกูลของเธอเธอจะได้รับการประนามอย่างหนักคนทั้งเมือง จะดูถูกเหยียดตยามตระกูลของเธอแล้วชีวิตสมรสของเราจะมีความสุขได้อย่างไรดิลาวดีกล่าวว่าเหตุผลเท่านี้ดิฉันคิดมาก่อนแล้วและเห็นว่ามันเป็นเหตุผลของคนอื่นที่คอยเป็นเจ้ากี้เจ้าการในธุระของคนอื่นคอยจับผิดคนนั้นคนนี้คอยติดเตียนดินทาตระกูลนั้นตระกูลนี้แล้วเราจะได้อะไรจากคนพวกนี้บ้าง เมื่อเราทุกข์เขาก็คอยแต่จะซ้ำเติมเขาต้องการให้คนอื่นทำตามที่เขาปรารถนาอย่างเห็นแก่ตัวที่สุดเมื่อไม่สมปรารถนาก็ประนามว่าเลวซามดิฉันจะไม่ประสาทกับคนพวกนี้ดิฉันจะไม่อยู่ในกรอบที่คนพวกนี้จํากัดไว้ดิฉันเกิดมาคนเดียวและจะตายไปคนเดียวจึงจะมีอิสระแก่ตัวเองสักชาติหนึ่งใครจะว่าอย่างไร ก็ว่าไปสิ่งท really <cas ello vivo> ี่ดิฉันว่าชอบว่าควรดิฉันจะทําเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของดิฉันเองดิรวดีกล่าวตอนสุดท้ายด้วยเสียงแข็งขันเหตุผลของเธอหลักแหลมเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะคาดถึงทําให้ข้าพเจ้ารักและบูชาเธอขึ้นมาอีกเป็นกองเมื่อเห็นข้าพเจ้าอย่างนิ่งเธอก็ชักเหตุผลต่อไปดิฉันรู้ดีว่า ท่านเป็นยันทานและเคยเป็นโจรถ้าดิฉันคิดอย่างคนอื่นดิฉันก็จะไม่รักท่านแต่ดิฉันไม่คิดอย่างคนอื่นจึงได้รักท่านดิฉันอยู่ในสังคมมนุษย์อย่างต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นแต่ในทางจิตใจดิฉันเป็นอิสระเสมอดิฉันมีอิสระภาพที่จะรักท่านในชาตินี้ก็ขอรักท่านเพียงคนเดียวบางทีพระผู้เป็นเจ้า อาจจะสร้างดิฉันมาเพื่อท่านก็ได้ดิฉันเกิดมาเพื่อท่านเพียงคนเดียวเท่านั้นท่านผู้มีอายุการสนทนาในวันนั้นข้าพเจ้า เกือบจะเป็นฝ่ายฟังตลอดเวลาลีลาวดีชักเหตุผลต่างๆให้ข้าพเจ้าฟังจนข้าพเจ้าอ่อนใจข้าพเจ้าเชื่ออย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่าลีลาวดีเกิดมาเพื่อข้าพเจ้าคนเดียวจริงๆสงครามในอกของข้าพเจ้าเริ่มเข้าสู่ขั้นแตกหักฝ่ายโลกเริ่มได้เปรียบฝ่ายธรรมะเริ่มลาถอยไปอย่างไม่เป็นขบวนข้าพเจ้า เกือบรับปากกับลีลาวดีว่าจะศึกแต่ในที่สุดข้าพเจ้าก็นําตัวเองกลับวัดจนได้พ่อถึงกุติก็นอนเอามือก่ายหน้าผากคิดวาดภาพของชีวิตอนาคตอันเจิดยา้าคิดไปยิ้มไปได้วยความอิ่มเอิบใจแต่เพียงคิดเท่านั้นข้าพเจ้าก็มีความสุขเสียแล้วเมื่อได้ไปอยู่ในคฤหาสน์อันโ อ, นอถงมีลีลาวดีผู้แสนสวยอยู่แนบข้าง ท่ามกลางกองสวัสดิ์อันมหาศาลเช่นนั้นข้าพเจ้าจะมีความสุขสักเพียงไหนฝ่ายโลกเจตชนะฝ่ายธรรมะจริงๆแล้วหรือ ูมีอายุธรรมดาคนเราเมื่อตนชอบสิ่งใดก็มักหาเหตุผลเข้ากับสิ่งนั้นความจริงข้อนี้ได้ปรากฏกับข้าพเจ้าเองเวลานั้นข้าพเจ้ากำลังหายใจเป็นดีลวดีข้าพเจ้าอยากลาเพศสมณนะไปสู่ครวาวิสัยข้าพเจ้าก็เห็นว่าความเป็นครวาวดีชาวโลกจะมีความสุขอยู่ได้ก็ต้องอาศัยเบญจ ก, ก ร, ร·มคุณห้า คือรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสสำหรับบำรุงบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อตาได้เห็นรูปสวยงามหมูได้ยินเสียงไพเราะจมูกได้ดมกลิ่นหอมลิ้นได้ลิ้มรสอร่อยกายได้ถูกต้องสัมผัสอันสบายคนก็สบายเป็นสุขสํำาราญใจเหมือนพันธุ์พฤกษชาติที่มีน้ําร่อเลี้ยงบริบูรณ์ก็ย่อมเจริญงอกงาม พระพเจ้าเห็นว่าชีวิตของพระภายในกรอบแห่งพระธรรมวินัยขาดสิ่งเหล่านี้เป็นชีวิตที่แห้งแรงเกินไปอีกประการหนึ่งปราชญตั้งแต่โบราณย่อมกล่าวไว้ว่าเป็นจากกรรมคุณทั้งห้าย่อมรวมกันอยู่ในสตรีเท่านั้นไม่มีรูปใดเสมอด้วยรูปแห่งสตรีไม่มีเสียงใดเสมอด้วยเสียงสตรีไม่มีกลิ่นใดเสมอด้วยกลิ่นสตรี ไม่มีรถใดเสมอด้วยรถสตรีไม่มีสัมผัสใดเสมอด้วยสัมผัสสตรีสำหรับข้าพเจ้าเห็นยิ่งไปกว่านั้นอีกว่าไม่มีสตรีใดเสมอด้วยลีลาวดีในที่สุดสงครามในอกอันยืดเยื้อก็สิ้นสุดลงโดยฝ่ายโลกเป็นผู้พิชิตข้าพเจ้าได้ตัดสินใจคนเดียวเงียบๆว่าจะลาสิกขาไปเพื่อร่วมชีวิตกับลีลาวดี ซึ่งกำลังรอคอยเธอจะดีใจสักเพียงไหนหนอเมื่อได้ทราบว่าการรอคอยอันยาวนานของเธอได้ผลิตผลสมใจแล้วมัวหวนคิดดูสมณเพศอีกทีหนึ่งข้าพเจ้าก็ยังรู้สึกเสียดายอยู่แต่ไม่เป็นไรข้าพเจ้ายังหนุ่มทั้งกายและใจยังมีกำลังวังชาที่จะต่อสู้กับโลกเมื่อได้เสวยโลกีสุขพอสมควรแก่เวลาแล้ว เมื่อริ้วรอยแห่งความชลาเริ่มครอบงำข้าพเจ้าก็จะออกสู่สมณเพศอีกครั้งหนึ่งตามที่โบราณอาจารย์แนะนำไว้ว่าเมื่อเห็นหน้าหลานคนแรกเมื่อเห็นผมงอกเป็นเส้นแรกจงออกสู่บรรพชิตเพศดังนี้ เย็นวันนั้นเองเมื่ออาบน้ําชำระ ก, กายแล้วข้าพเจ้าก็ครองจีวรไปยังกุฏิพระอุปัชฌายะเพื่ออําราท่านลาสิขาข้าพเจ้าตัดสินใจกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมเกิดความกระสันอยากจะลาเพศสมณะออกสู่คารวาวิสัยและผมขอกราบลาท่านอาจารย์ด้วยท่านอาจารย์นั่งนิ่ง ไม่ได้พูดว่าอะไรไม่ดุหรือห้ามปลามแต่ก็ไม่อนุญาตท่านนั่งนิ่งอยู่นานมากจนข้าพเจ้าเกิดความกระวนกระวายใจท่านกล่าวว่าเธอไปทุระกับฉันสักประเดี๋ยวก่อนท่านอาจารย์กล่าวในที่สุดเรื่องลาศิขาของเธอเอาไว้พูดกันทีหลังท่านลุกขึ้นห่มจีวรแล้วเดินนําหน้าข้าพเจ้าลงจากกุฏิไป เราออกจากพระเชตวันลงสู่ทุ่งนาจากทุ่งนาเข้าสู่หมู่บ้านของชาวนาผู้ยากจนพ อ, อย่างเข้าสู่เขตหมู่บ้านเท่านั้นข้าพเจ้าและอาจารย์ก็ได้เห็นหญิงกลางคนคนหนึ่งกำลังนั่งด่าใครคนหนึ่งอยู่ข้างหน้ากระท่อมที่ทำด้วยดินฉาบบูนโคลูกหญิงคนหนึ่งของนางนั่งร้องไห้ยอยู่ข้างๆหม้ออาหารที่ตั้งอยู่บนเตาไฟ ในขณะที่เราจวนจะผ่านพ้นเป็นนั่นเองสามีของนางได้วิ่งออกมาจากกระท่อมตรงเข้าไปทุบตีภรรยาอย่างไม่ปราณีนางผู้เป็นภรรยานอนกลิ้งไปมาอยู่ระหว่างเท้าของสามีแต่ปากก็ยังส่งเสียงด่าทอยิ่งกว่าเดิมสามีทุบตีภรรยาจนพอแก่ความโกรธแล้วก็เดินลงทุ่งนาหนีไป ดูก่อนท่านผู้มีอายุเมื่อได้เห็นเหตุการณ์เช่นนี้แล้วข้าพเจ้าก็เกิดความสังเวชสะลดจิตขึ้นมามากสามีภรรยาคู่นั้นคงได้ตกลงร่วมชีวิตกันด้วยความหวังที่จะมีสุขแต่เมื่อสภาพการเป็นอย่างนี้เขาจะมีความสุขได้อย่างไรข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าเมื่อข้าพเจ้าไปอยู่กับลีลาวดีข้าพเจ้าจะไม่ทําเช่นนั้นท่านอาจารย์ พาข้ า, เขาพเจ้าเดินต่อไปจนถึงบ้านหลังใหญ่ตั้งเป็นสง่าอยู่กลางหมู่บ้านท่านบอกว่าเป็นบ้านของพราหมณ์ผู้เป็นหัวหน้าของหมู่บ้านนั้นซึ่งมีความคุ้นเคยกับท่านอยู่แล้วท่านพาข้ า, เขาพเจ้าแวะไปเยี่ยมแต่ในบ้านไม่อยู่เข้าไปทำธุระในกรุงสาวัตถีนางพราหมณีผู้เป็นภริยาจึงต้อนรับเราแทนที่บ้านนี้ ข้าพเจ้าก็ได้รับความหมุ่นมองจิตใจชนิดใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกเพราะนางพราหมณีผู้เป็นเจ้าของบ้านได้เล่าแต่เรื่องของการงานอันยุ่งยากของนางเองและสามีให้ฟังแทบจะไม่ขาดปากตั้งแต่การเก็บสวยสาอากรการปกครองลูกบ้านการทําไล่ไถนาการติดต่อกับเจ้านายและอื่นๆ อ, อ, อีกเมื่อได้ยินแล้วก็ทําให้ข้าพเจ้าเกิดความคิดว่า นางกำลังถูกเชือกประมาณ30สิบเส้นรัดลึงอยู่รอบตัวจนกระดิกกายไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้จะมีความสุขอยู่ได้อย่างไรจากนั้นท่านอาจารย์ก็ได้พาข้าพเจ้าเดินผ่านบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งมีเสียงร้องไห้ของหญิงคนหนึ่งดังแว่วมายังโหยหวนเมื่อถามดูก็ได้ความว่าสามีของนางได้ถูกงูพิษกัดตาย ขณะกำลังตัดฟืนอยู่ในป่าบ่ายวันนั้นเองท่านอาจารย์ผ่าข้าพเจ้าเดินเลยหมู่บ้านไปอีกข้าพเจ้าเดินตามท่านไปอย่างเงียบๆ โดยไม่ได้ปริปากพูดเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาทำให้ข้าพเจ้าเกิดความเบื่อหน่ายโลกขึ้นมาบ้างท่านอาจารย์คล้ายจะรู้ใจข้าพเจ้าจึงได้กล่าวขึ้นว่าชีวิตของคารวาตผู้ครองเรือนย่อมเป็นอย่างที่เธอเห็นมาแล้วในบ้านแรกเธอเห็นผัวเมียเขาทะเลาะกันทุบต่อยกันเขาทั้งสองนั้นเริ่มรักกันทีแรกหรือเมื่อแต่งงานกันทีแรกก็รักกัน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 ในที่สุดก็ศาสตร์ความไม่ดีใส่กันเกิดการทราะเลวิวาททุบต่อยกันความสุขก็อันตรทานไปฉะนั้นความรักที่อาศัยกามจึงเป็นยาพิษเคลือบน้ำตาลเมื่อริมรสทีแรกจะรู้สึกว่าหวานแต่นานนักก็ถูกยาพิษความสุขอันอาศัยกามเป็นสุขนิดหน่อยแต่มีความทุกข์มากเป็นสุขชนิดที่ต้นหวาน แต่ปลายขมดูก่อนเลวะตะเมื่อเราเข้าไปเยี่ยมในบ้านนางพรามณีได้เล่าความยุ่งยากต่างๆให้เราฟังชีวิตของคารวาัตรย่อมเต็มไปด้วยภาระอันหนักต้องทํางานหาทรัพย์มาเลี้ยงตนเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกเลี้ยงเพื่อนต้องมีบ้านเรือนมีไร่นามีคนรักที่ต้องเอาใจใส่จะไปไหนมาไหนก็ต้องเป็นห่วงกังวล ชีวิตคารวะเปรียบเหมือนชายที่แบกภาระอันหนักไว้บนบ่าไม่สบายไม่เป็นเสรีภาพชีวิตของสมณะเป็นชีวิตที่เบาอิสระสบายเหมือนบุคคลที่ปรงภาระแล้วย่อมเดินไปไหนได้อย่างสบายในบ้านที่เราสามารถเห็นหญิงที่กำลังร้องไห้คร่ำครวญพ่อปัวตายนั้นก็แสดงให้เห็นทุกใหญ่ของชาวโรคคนที่มีสิ่งใด ก็ย่อมรักมากหลงยึดถือในสิ่งนั้นเมื่อสิ่งนั้นสูญเสียไปก็เกิดทุกข์ยิ่งรักมากห่วงมากเท่าใดก็ทุกข์เท่านั้นรักน้อยก็ทุกน้อยถ้าไม่รักเลยก็ไม่ทุกข์เลยท่านอาจารย์บรรยายของท่านเรื่อยไปจนกระทั่งเรามาถึงป่าแห่งหนึ่งเป็นป่าใหญ่มีต้นไม้นานาชนิดขึ้นอย่างหนาแน่นอากาศค่อนข้างมืด และเยือกเย็นข้าพเจ้าจักจะรู้เป็นกำลังว่าทำไมอาจารย์จึงพาข้าพเจ้ามาที่ป่าอันน่ากลัวนี้แต่ไม่กล้าถามสะกดใจเดินตามท่านไปตามหุ่นทางอันลกเลี้ยวจนกระทั่งมาถึงที่ว่างกลางป่าแห่งหนึ่งท่านอาจารย์จึงพาข้าพเจ้าหยุดดูก่อนท่านผู้มีอายุไม่มีสักครั้งใดในชีวิตของข้าพเจ้าจะได้รับความตื่นเต้นตกใจ และความสลดรุทศใจเท่ากับคราวนั้นเพราะที่ที่ข้าพเจ้ายืนอยู่นั้นเป็นป่าช้าผีดิบข้างหน้าข้าพเจ้านั่นเองศพมนุษย์ผู้ชายศพหนึ่งกําลังนอนอยู่บนพื้นดินเป็นศพที่กําลังขึ้นอืดจนตัวกลมคล้ายลูกฟักส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งตลบจนข้าพเจ้าแทบจะอาเจียนมีรอยเขียวดําขาวทั่วไปหมดผิวหนังบางแห่งก็แตกปริ มีน้ำเหลืองไหลยเยิ้มเป็นทางลิ้นสีแดงกลมๆโผล่ออกมานอกปากมีฟองน้ำไหลา ข, าขาวๆพุดขึ้นมาเป็นคลังคลาวท่านอาจารย์พาข้ า, เขาพเจ้าเดินไปอีกหน่อยก็พบศพอีกศพหนึ่งกำลังนอนคว่มหน้าอยู่กับพื้นเป็นศพที่เน่าเฟะเต็มที่แล้วเนื้อหนังบางแห่งก็มีรอยสัตว์กินเวาแหวงลำไส้ถูกดึงลากออกไปจากท้องเป็นทางยาว ฝูงหนอนกำลังเจาะใช้กินที่บริเวณหลังจนเห็นกระดูกซิกโครงโผล่ออกมานอนตัวขนาดใหญ่คลาคล่ำอยู่ทั่วกายนี่คือจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตของทุกคนท่านอาจารย์พูดทำลายความเงียบขึ้นชีวิตคือการเดินทางไปสู่ความตายวันหนึ่งที่ผ่านไปคือก้าวหนึ่งที่เราจะต้องใกล้ความตายเข้าไป เมื่อความตายมาถึงกายนี้จะมีอันเป็นไปดังซากศพที่เธอเห็นอยู่นี้ไม่มีความงามไม่มีความน่ารักไม่น่าชมมีแต่สกรปรกโสมมอันน่าขยะขยงศพที่นอนอยู่นั้นเมื่อมีชีวิตอยู่ก็เหมือนอย่างเราเราเมื่อตายไปแล้วก็จะต้องเป็นอย่างนี้ภายในกําหนดร้อยปีเป็นอย่างนานดูก่อนท่านผู้มีอายุ ใจิตใจของข้าพเจ้าเวลานั้นหนักดึ้งด้วยความสังเวชเบื่อหน่ายคลายความยินดีจนกระทั่งเห็นตัวท่านอาจารย์และตัวข้าพเจ้าเองเป็นศพไปด้วยมแมลงวันฝูงใหญ่บินมาเกาะตามตัวของข้าพเจ้ามันคงคิดว่าข้าพเจ้าเป็นศพเหมือนกันท่านอาจารย์พาข้าพเจ้ากลับสู่เชตวนารามเมื่อเวลาขมุก ข, ขมัวแล้วภาพสากศพ ยังคงติดตาติดใจอยู่อย่างชัดเจนไม่สามารถที่จะลืมได้แม้จะนอนอยู่ภายในกุฏิก็ยังรู้สึกคล้ายกับกําลังนอนอยู่ที่ป่าช้าผีดิบคืนวันนั้นข้าพเจ้าแทบจะดื่มน้ํามไม่ได้เพราะทําให้เกิดสะิสะเอียนดุดน้ําเหลืองจากซากศพเช้าวันลุกขึ้นขณะกําลังเดินบินธบาตข้าพเจ้าก็เห็นคนที่กําลังเดินผ่านไปมาเป็นซากศพไปหมด ข้าพเจ้าฉันเข้าได้เพียงนิดหน่อยเพราะรู้สึกคล้ายกับกำลังฉันสร้างศพท่านอาจารย์ได้เปลี่ยนแนวความคิดของข้าพเจ้าอย่างสิ้นเชิงข้าพเจ้าเห็นว่าโลกนี้ไม่ใช่โลกที่ควรยินดีเสียแล้วความรักด้วยอำนาจราคะที่ข้าพเจ้ามีต่อดิราวดีก็ดีความคิดที่จะลาสมณะเพศไปอยู่กับเธอก็ดีถูกอำนาจของป่าช้าผีดิบขจัดไปอย่างสิ้นเชิง ปาช้าผีดิบทำให้ข้าพเจ้าเห็นลีลาวดีเป็นโครงกระดูกที่หุ้มไว้ด้วยเนื้อหนังที่จะต้องกลายเป็นซากศพในป่าช้าฝ่ายธรรมะซึ่งถูกฝ่ายโลกปล่าบปรางไปเมื่อวานนี้ได้กลับกลายมาเป็นผู้พีชิตเสียแล้วโดยไม่ได้คิดฝันลีลาวดีจะประสบกับความผิดหวังอีกแล้วหรือนี่ ได้เรียกข้าพเจ้าไปเตือนว่าเครวตะถ้าเธออยู่ที่นี่ต่อไปเธอจะต้องถูกรบกวนจากสตรีเพศจิตใจของผู้ที่ยังเป็นปุถุชนย่อมหวั่นไหวได้ง่ายตามสิ่งแวดล้อมเวลานี้กําลังเบื่อโลกด้วยอํานาจป่าช้าผีดิบแต่ต่อไปเธออาจจะกระสันขึ้นมาอีกด้วยอํานาจสิ่งยว่ว ย, ยวนฉะนั้นเธอจงหนีไปเสียให้ห่างไกล ต่อศัตรูของพรมจันทร์รีบเร่เงบำเพ็ญเพียรให้หนักมือขึ้นจนจิตใจมั่นคงแล้วจึงกลับมาข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านอาจารย์ด้วยดีเย็นวันนั้นข้าพเจ้าได้สะพายบาทและแบกตรดออกจากพระเชตวนารามไปสู่บุพารามซึ่งตั้งอยู่บนแม่น้ำอจิรวดีทางที่ตะวันออกแห่งกรุงสาวัตถี อุภารามซึ่งนางวิสาขาอุบาสิกาเป็นผู้สร้างมีสภาพน่ารื่นรมไม่แพ้พระเชตวนารามข้าพเจ้าได้ยึดอาคุติเล็กๆหลังหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีเป็นที่อยู่ข้างหน้ากุติไม่มีต้นไทรเหมือนกุติที่พระเชตวนารามมีแต่ต้นสาระขนาดใหญ่ซึ่งมีใบหนามีเงาอันร่มรื่นมีดอกสีขาวเป็นพวงยาว ไ้่ลงมาข้างล่างมีกลิ่นอันหอมเย็นข้าพเจ้าเร่งกระทําความเพียรอย่างเร่งรีบเพื่อจะชาระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดก่อนที่สรีระอันไม่คงทนนี้จะแตกสลายเมื่อข้าพเจ้าตื่นแต่เช้ามืดล้างหน้าตาเสร็จแล้วก็ไปนั่งเข้าที่ทําสมาธิเมื่อได้ยินเสียงการ้องออกหากินในเวลารุ่งอรุณจึงออกจากที่ทําสมาธิ ปัดกวาดเช็ดถูคุติทาความสะอาดที่อยู่เรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นก็เข้าสู่หมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตเมื่อได้อาหารฉันอิ่มแล้วก็กลับวัดฉันเสร็จล้างบาทปัดกวาดที่ฉันเรียบร้อยแล้วก็ท่องบนสาธยายพระธรรมวินัยที่ได้ยินได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์จนกระทั่งอาทิตย์บ่ายคล้อยแล้วจึงลงไปนั่ง ไต้ร่มไม้สาระเพื่อพักผ่อนขณะที่พักผ่อนก็หยิบเอาหัวข้อธรรมะข้อหนึ่งมาคิดวิจารณ์บางทีก็อมองดูระลอกน้ำในแม่น้ำอจิรวดีที่วิ่งเข้ามากระทบฝั่งแล้วก็หายไปพางคิดเปรียบเทียบระลอกน้ำกับชีวิตของตนตามวิธีที่อาจารย์สั่งสอนมาคือพบเห็นสิ่งใดก็นำมาคิดเปรียบเทียบกับชีวิตของตนเสมอ ชีวิตเราก็เช่นเดียวกับกระลอกคลื่นที่ถูกลมคือความแก่พัดเข้าสู่ฝั่งคือความตายก็หายไป <quier S 1> เมื่อพระอาทิตย์จวนจะรับแนวไม้จึงปัดกวาดบริเวณพระอารามพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรทั้งปวงเสร็จแล้วก็คลองจีวรลงสู่ธรรมศาลาฝั่งโอวาทของพระมหาเถระพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย จนปฐมยามผ่านไปจึงกลับสู่กุฏิเข้าที่นั่งทำสมาธิบางทีก็เดินจงกรมแทนจนถึงมัชิมยามจึงได้ออกจากสมาธิตรวจกิจวัตรประจำวันและศีลของตนถ้าเห็นว่ามีสิ่งใดบกพร่องก็ตั้งใจที่จะทำใหม่ในวันรุ่งขึ้นเสร็จแล้วก็นอนด้วยตั้งใจจะลุกขึ้นแต่เช้ามืด ข้าพเจ้าทาเช่นนั้นเป็นประจำทุกวันคืนรู้สึกว่าจิตใจสบายขึ้นมามากไม่มีความห่วงความกังวลถึงข้างหน้าข้างหลังเป็นอิสระเสดีอย่างสูงนี่กระมังคือความสุขใต้ร่มภาากาสาวพั์ที่พระอริยเจ้าสันเสริญ ทนคืนผ <ök> <architectural. S 1> ่านไปไม่หยุดยั้งเขาระเ้ายังคงนั่งอยู่ใต้ร่มสาระริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีมองดูละลอกคลื่นแล้วก็เปรียบเทียบกับชีวิตที่เสวยสันติสุขอันเยือกเย็นอันเกิดแก่ธรรมะปฏิบัติต่อมา ในที่สุดว่าสารตฤดูก็ย่างเข้ามาทุกๆเวลาเย็นจะมีเมฆกลุ่มใหญ่ปรากฏขึ้นทางขอบฟ้าผ่านตะวันตกเฉียงใต้และดูเป็นกลุ่มก้อนสลับซับซ้อนกันวางเป็นแนวยาวเหยียดติดกับขอบฟ้าคล้ายกับทิวเขาอันมหึมาสายฟ้าแดบโตดเด่นเพ่นกระโจนจากเมฆก้อนนั้นสู่ก้อนนี้จากก้อนนี้สู่ก้อนนั้นอย่างราเริง เสียงฟ้าร้องคำหลามลั่นสนั่นพระสุธามาเป็นระยะๆะะในไม่ช้าพระอาทิตย์ที่กำลังจะสดงคตก็ถูกกลุ่มเมฆสีดำบังสนิทปตัตพีดลนที่เรืองอาลามไปด้วยแสงแดดยามเย็นก็พลันมืดมัวสลัวลงเหนือศีษะขึ้นไปเมฆสีดำสนิทก็ค่อยๆขยายตัวปิดท้องฟ้าสีเขียวครามพราพลายเริ่มหมพัดหนักขึ้นหนักขึ้น และฝนเม็ดใหญ่ก็ตกตามลงมาอย่างหนักเสียงลมผสมครุกเค้าด้วยเสียงฝนและเสียงฟ้าร้องดังอู้อู้อยู่ไม่ขาดระยะตระดนึกว่าเทพเจ้าผู้เช็ดแค้นกำลังจะลงโทษมนุษย์โดยปล่อยให้พระคงคาสวรรค์ไหลบ่าลงมาท่วมโลกฉะนั้นท่ามกลางความตึ ก, ก้องของธรรมชาตินั้นเอง้าพเจ้านั่งอยู่ภายในกุฏิน้อยคนเดียวด้วยจิตใจค่อนข้างจะหดหู่ เงาและเศร้าผิดจากวันก่อ น, อนเมื่อลมและฝนผ่านพ้นไปแล้วความเงียบอย่างเงยือกเย็นก็เข้าครอบงำบุพารามตามเดิมข้าพเจ้าออกมาจากกุฏิกวาดใบไม้ที่เกลื่อนอยู่บนระเบียงเช็ดถูน้ำที่นองอยู่บนพื้นให้แห้งแล้วก็นั่งลงฟังเสียงคำรามของฟ้าที่ดังมาเป็นคลังคลาวในยามเช่นนี้จิตใจของข้าพเจ้า ต้องหวนกลับไปคิดถึงอดีตอีกลีลาวดีที่ผมลืมไปนานแล้วก็ปรากฏขึ้นมาในห่วงของความคิดอีกครั้งหนึ่งทุกครั้งที่เธอปรากฏขึ้นมาในห่วงของความคิดข้าพเจ้ารู้สึกไม่สบายใจสมครามในอกที่สงบไปแล้วเป็นเวลานานทําท่าจะคุกกลุนขึ้นมาอีกข้าพเจ้าพยายามปรามปรามไว้ด้วยการระลึกถึงภาพของป่าชาผีดิบที่พระอาจารย์ พาข้าพ เ, เจ้าไปดูเมื่อนานมาแล้วแต่อิทธิพลของป่าชาผีดิบก็จะลดน้อยลงทุกวันเพราะมันไม่สามารถทำให้ข้าพเจ้าลืมคิดถึงดีลาวดีได้สภาพของบุพารามเวลานั้นเงียบสงบดุดวัดร้างอากาศภายหลังฝนตกช่างสดชื่นและเย็นสบายดีจริงๆในไม่ช้าพระจันทร์ข้างแรมก็โผล่พ้นแนวเมฆ พอแสงอันสดใสนวลเย็นไปทั่วบริเวณหลานวัดบุพารามอันเตียนโล่งสะอาดตาได้กลายเป็นดังเพราะเงาของต้นไม้ข้าพเจ้ายังคงนั่งอยู่ที่ระเบียงกุฏิปล่อยจิตใจให้เลื่อนลอยไปตามสภาพของมันท่านผู้มีอายุคงทายออกว่าจิตใจของข้าพเจ้าเลื่อนลอยเข้าไปในพระนครสาวัตถีสู่ปราสาทของดีราวดี สภาพรอบตัวของข้าพเจ้าเวลานั้นช่างคล้ายคลึงกับเมื่อคืนที่ข้าพเจ้าพบกับลีลาวดีเป็นครั้งแรกริมฝั่งสระในสวนหลังเครือหาดเมื่อหลายปีมาแล้วสายลมเย็นโชยมาอีกครั้งหนึ่งทำให้ดอกสาละร่วงพูลลงสู่พื้นดินบางดอกก็ได้ปลิวมาตกลงบนพื้นรอบๆข้าพเจ้าหยิบมันขึ้นมาสูดดมแล้วก็หวนคิดถึงลีลาวดี ถ้าเธอมาหาข้าพเจ้าในขณะนี้ถ้าเราได้นั่งสนทนากันท่ามกลางธรรมชาติอันตรการเช่นนี้ข้าพเจ้าคงจะเป็นสุขใจที่สุดในชีวิตแต่นั่นเป็นเพียงความคิดหรือจินตนาการลมๆแรงๆของข้าพเจ้าดีรวดีจะมาหาข้าพเจ้าได้อย่างไรในเมื่อข้าพเจ้าหนีมาอยู่ที่นี่โดยไม่บอกให้เธอทราบซ้ำยังทรยศต่อเธอเพราะไม่ได้กลับไปบอกข้อตกลงใจ ให้เธอได้ทราบภายในสามวันตามสัญญาป่านนี้เธอคงจะนอนเป็นทุกข์อยู่ในคฤหาสน์บางทีอาจจะกำลังด่าข้าพเจ้าอยู่ก็ได้คิดๆไปก็น่าเห็นใจลีลาวดีท่านผู้มีอายุถ้าข้าพเจ้าขืนนั่งคิดอยู่ที่นั่นต่อไป ใจข้าพเจ้าก็คงจะตกเป็นธาตุแห่งความรักอย่างแน่นอนข้าพเจ้าจึงเข้าสู่กุฏิปิดประตูและนั่งทําสมาธิเร่งับจิตใจแต่ขณะที่จิตของข้าพเจ้ากําลังเข้าสู่ความแน่วแน่แห่งอารมณ์เดียวอยู่นั่นเองหูของข้าพเจ้าก็แววได้ยินเสียงเคาะที่ประตูและมีเสียงอ่อนหวานเย็นยะเยียบเรียกชื่อข้าพเจ้าว่าท่านเรวตะท่านเรวตะ ข้าพเจ้าสะดุ้งตื่นจากผวังแล้วเงียบหูฟังด้วยจิตอันต้นระทึกเสียงนั้นเงียบไปครู่หนึ่งใครหนาใครมาเรียกในยามค่ำคืนนี้บางทีจะเป็นผีสางนางไม้มาทดลองใจของเรากระมังข้าพเจ้าคิดในใจแล้วก็นิ่งฟังต่อไปท่านคาท่านเสียงนั้นดังทำลายความเงียบขึ้นมาอีกเป็นเสียงอันแหลมลึก แต่เยเือกเย็นจับใจเขาพระเจ้ารู้สึกตื่นเต้นอย่างประหลาดเมื่อคิดว่าอาจจะเป็นเสียงดิลาวดีแต่เป็นไปไม่ได้ที่เธอจะมาหาเขาพระเจ้าในยามค่าคืนถึงบุพารามจะเป็นผีหรือคนก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นจริงเขาพเจ้าคิดแล้วก็เปิดประตูออกไปท่านผู้มีอายุเขาพระเจ้าถึงกับตะลึงงานไปชั่วขณะที่ได้เห็นเจ้าของเสียงเมื่อกี้นี้เป็นหญิงสาวสวย นั่งอยู่บนพื้นท่ามกลางแสงจางซึ่งสว่างพอที่จะจำได้ว่าเธอเป็นใครลีลาวดีข้าพเจ้าอุทานออกมาด้วยเสียงค่อนข้างดังถูกแล้วค่ะดิฉันเองรีลราวดีเธอตอบด้วยอาการปรกติเธอมาที่นี่ได้อย่างไรหรือรีลราวดีเธอมากับใครข้าพเจ้าถามพลางนั่งลงในระยะห่างจากลีลาวดี ประมาณหนึ่งว่าทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นที่พบกับลีลาวดี